ب س ا الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ر ا ق ب ة للمتقين ولا ع د و ا ن إلا على الظالمين و ص ل ي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين ثم أما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نآية تسعة س ب الله داي تمني شاوكريست داي يد أو ب ا د لوان لبراد ตลอดจนท่านบนอิศาเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮทั้งยังดีเขาถูกใช้ให้เคารพสักการะละสุภามตาและเพียงพระองค์เดียวแล้วผมได้ทิ้งทายการอธิบายอายันนี้ให้พวกเราได้แยกแยะในประเด็นเชื่อฟังผู้นำหรือผู้รู้ด้วยเหตุผล ของตัวบทหลักฐานที่ผู้นําและผู้รู้ได้อ้างอิงเพราะตอนที่อเลาได้ตํานหนชาวคริสต์วายึดเอาประราชเป็นพระเจ้าชาวคริสต์คนหนึ่งก็คืออาดีบนาเดมุตโตอีเนี่ยที่ได้บอกกับท่านนบีเปล่าเลยเราไม่ได้ไม่ได้ยึดเขาเป็นพระเจ้านบีก็บอกว่าเอ้าก็สิ่งที่มันฮะลาลทิงสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กําหนดว่ามันฮะลาล แต่พวกเขาเปลี่ยนเป็นฮารอมแล้วพวกเจ้าก็เชื่อพวกเขาเชื่อปราดเชื่อบาดหลวงในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้บัญญัติเพราะว่าออันนี้มีจริงพราว่านบีก็บอกว่าบบ ก, าวกวา็นี่แหละการเชื่อฝังเข้าในทางที่สวนกับคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยฟติลกะอิบะตุนนี่คือการเคารพสักการะเหมือนกันถึงบอกว่าอุลามาได้ บอกว่าชิรกการตั้งภาคีนี้มีหลายประเภทหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นนชิรกอุตเตชริยาตั้งภาคีให้ผู้อื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยมีอำนาจบัญญัติว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเป็นฮาลาลหรือฮารอมสวนทางกับสิ่งที่อ AH ัลลอ์ได้กำหนดต้องสวนทางนะเพราะถ้าถ้ากำหนด ตรงกันก็ไม่ไม่ไม่ผิดไม่ผิดแต่งได้อย่างที่เราบอกการการที่มีกฎหมายของมนุษย์เนี่ยสอดคล้องกับกฎหมายอิสลามไม่เราไม่ขัดข้องกำหนดกฎจราจร่าไฟแดงผิดกฎหมายมีค่าปรับอันนี้มีเหตุผลศาสนาเห็นด้วยศาสนาเห็นด้วยการป้องกันชีวิตของคนอื่น มันสอด ค, คล้องกับหลักการศสนาบัญญัติแต่ถ้าจะบัญญัติบอกว่าเล่าฮาลาลเียอันนี้เราไม่เชื่อถ้าเชื่อนะก็เหมือนนี่แหละเหมือนเหมือนคริสเตียนเาที่เขาเชื่อบาทหลวงและปราดในทางที่สวนสวนทางกับมัสฮานามาตรการนี้ที่จะทำให้มุสลิมเนี่ยรีศา ส, สนาอิสลามเพียงศาสนาเดียวในโลกที่ คุ้มครองพระประกาศสิทธิของเราสุภานุวตาละมิให้มนุษย์เนี่ยมายืนข้างเคียงกับ a ล l a h s u b h a า a h u w a t a h ศาสนาเดียวที่จะไม่ไม่ให้ไม่ให้มนุษย์เนี่ยบังอาจสถาบนาตัวเองมีอํานาจบารมีเท่าเทียมกับ Allah Subhanahuwatah อันนี้ไม่ได้และถ้ามนุษย์คนใดทํำนี่นะถูกกล่าวหาว่าเป็นต่อรุษถูกกล่าวหาถ้ามนุษย์เขาทําเองนะ ฉันเนี่ยมีาพระประการสิบบนอัลลอฮ์นั่นเราเป็นตาขุดแล้วแล้วถ้าเขาไม่ทำเนี่ยเขาไม่ทำแต่มีคนอื่นเนี่ยสถาบนาเขาเนี่ยเนี่ยคนอื่นเนี่ยถือว่าได้ทำเิริกแต่ผมทิ้งท้ายบอกว่าต้องจําแนกนะต้องแยกนะและแ้วจะผู้รู้บอกว่าอันนี้ถูกต้องอันนี้ไม่ถูกต้องแล้วเราก็เชื่อฟังผู้รู้ถ้าผู้รู้นี่ อ้างหลักฐานนะ่ะนะเราไม่ได้เชื่อผู้รู้โดยลําพังเราเชื่อผู้รู้เพราะเขามีมีเหตุผลด้านหลักฐานอันเป็นคําสั่งสอนจากพระบุเจ้าเอาแล้วที่มัลส์อะไรหรือบางเรื่องที่มีความขัดแย้งในฮั ال ال ลลลฮารอมผมนี่เชื่อว่านี้นมันฮัลลแต่มีผู้รู้บอกว่าฮารอมแบบเนี้ ถ้าฉันไปเชื่อผู้รู้นแสดงว่าสวนทางไหมถ้าเป็นเรื่องที่มีความขัดแย้งแล้วก็มีตัวบทหลักฐานเนื้อหานี่มันมันเอื้อในแต่ละทศนันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับประเด็นนี้เลยเพราะการที่มีตัวบทหลักฐานคําสั่งสอนจากพระเจ้าที่เนื้อเรื่องของมันนี่มันเอื้อให้มีความคิดมุมมองที่แตกต่างกันแสดงแสดงว่ามีค่าเท่ากับอัลล์อนุญาตให้เรา ยืดหยุน่นยืดหยุ่นในทัศนะตแต่ถ้าเรื่องที่ไม่มีไม่มีมุมเลยตัวบทหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมุ่งไปสู่ทัศนัเดียวเช่นเหล่าฮารอมจิน่าฮารอมนะน้ำอย่างเงี้ยน้ำฮาลาลมันจะมีขีดจำัดไหมทานน้าเนี่ยฮาลาลไม่มี แต่ถ้ามีใครมามามามีทัศนะสวนทางเยสวนทางในสิ่งที่ไม่มีใครแลบเลยนะแล้วเราไปเชื่อเขานี่อันเนี้ยที่เขากายอัลกัฮุบะอับาระฮุมอูรุบนะฮุมอาร์บานินดุลิลลาอันนี้อธิบายนี้อาทิตย์ที่แล้วแบบนี้นะแต่มีเรื่องหนึ่งซึ่งอิบานมันก็ยัมเคยพูดเรื่องนี้ในหนังสือ إ ع ل ม م المؤ รีออ الم นน่นี้สื่มนีุนก็ยัมได้พูดถึงคุณสมบัติและเครื่องมือของผู้วินิจฉัยตัวบนหลักฐานผู้ที่มีความสามารถในการให้คำชี้ขาดอย่างแล้วกัน กันแจ้งหมอยข้อมูลความรู้ อ, อัหมวกแก้วนี่หมวกแก้วนี่พระหุปุธหมวกแก้วหมวกแก้พูลงนามใครอย่าพู้ลงนามอันนี้เป็นฉายาที่มันกียร์ให้แก่ผู้รู้ที่มีคุณสมบัติออกคําชี้ขาดที่เราเรียกกันว่าฟตัวคนที่ออกคําชี้ขาดในฟาตัวนี่เท่ากับลงนามแทนเราเพราะ ผู้รู้ที่ออกฟะตัวเนี่ยเท่ากับบอกกับชาวบ้านว่าว่าเรื่องนี้เรื่องนี้ทำไม่ได้มันฮรอมเพราะตัวบทหลักฐานจากอัลลอ์ว่าแบบนี้และตัวบทลัฐานไม่ยรวมมืดเรื่องนี้ในมันฮรอมผู้รู้จะเป็นคนที่ประสานสมักสมานระวงัง เนื้อเรื่องที่ไม่มีตัวบทกับตัวบทเพอตัวบทเพรา ะ, เ ร, าะเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้แน่นอนอย่างเช่นเรื่องเกิดขึ้นในหลังจากกุอานหลังจากนาบีเสียชีวิตไปแล้วในหนึ่งพัน400ี่รอปีอย่างเงี้ยแน่นอนเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะั้นไม่มีตัวบทหลักฐานพูดถึงเรื่องนี้แต่ผู้รู้ที่จะบอกว่าอ๋เรื่องของปัจจุบันนี่นะมีคําสั่งสอนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้และมันครอบคลุมถึงเรื่องนี้ ถาไมมูรู้ที่จะประสานระหว่างเรื่องใหม่กับตัวบทหลักฐานที่มีแต่เดิมอ่ะนะเราก็จะไม่รู้แล้วก็หลักการอ่อนล้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้คืออะไรเท่ากับผู้รู้เนี่ยลงนามว่าเรื่องนี้ข้าพเจ้ารับผิดชอบว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับตัวบทหลักฐานนี้แสดงว่ามีฮุกกมเดียวกันมีหลักการเดียวกันเมกกลงนามแทนอัลลอฮ์เชื่อฟัง ผู้รู้เนื่องจากตัวบทหลักฐานไม่มีปัญหาแต่บางทีเชื่อฟังผู้รู้โดยไม่มีเหตุผลด้านตัวบทหลักฐานเลยหรือรู้รู้รู้กกะใจต้องรู้นะว่าผู้รู้ที่ให้ทัศนะ เกีกับประเด็นนี้หลักฐานที่เขาอ้างเนี่ยไม่ถูกต้องต้องรู้กับใจนะเรารู้กับใจว่าหลักฐานนี้ไม่ใช่หรือมันมีหลักฐานที่มีน้ําหนักมากกว่าแต่เรายินยอมยืนยันว่าจะตามเขาถึงแม้ว่าเรารู้ว่ามีหลักฐานอื่นที่มันถูกต้องกว่า อ, อันนี้เนี่ยมินเมย เราจะไม่ฟันธงว่ามันเป็นชิริกแต่มินมีที่อาจทำให้เราคนที่ทำเรื่องนี้มีพฤติกรรมเยี่ยงเยี่ยงนารอที่เขายึดเอาปราดบาดหลวงเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์ทำไมคือเรา ไม่มีหน้าที่ประกอบศาสนกิจหรือเชื่อฟังในเรื่องที่เกี่ยวกับฮารัตหรือฮารอมเนี่ยนอกจากว่าต้องมีตัวบทหลฐานดับอัลลอฮุซุบาะฮ์อัลลอฮ์ทนี้ในขณะที่เรารู้ต้องเราต้องรู้ไงว่าตัวบทลฐานที่มันมีน้ําหนักมากกว่าว่าอย่างนี้แต่ผู้รู้ที่เราไปถามเขานี่เขาบอกว่าไม่ใช่มันเร่างนี้มันคนละเรื่อง แล้วเราก็ไปตามผู้รู้โดยเหตุผลอะไรก็ตามานะบางทีเป็นเหตุผลเรื่องเรียนแบบเบบบรียนแบบมัศขบตกลีดมัศขบมัศขบฉันไม่เปลี่ยนโอ้ยถ้าเปลี่ยนมัศขบนี่มันน่าเกลียดเราเป็นมัศขบนี้ต้องทาแบบนี้ทั้งท้ที่รู้นะว่ามัศขบของตัวเองนี่ไม่มีหลักต้องรู้นะไม่มีหลักฐานชัดเจนหรือมีน้ําหนัก แล้วรู้ว่ามัสน์อื่นที่มีน้ำหนักหลักฐานมากกว่าทำไม้ได้เจะเปลี่ยนมัสน์อุยอับอายชาวบ้ามีด้วยเหรอมีระดับผู้รู้ก็มีผู้รู้ที่รู้ว่ามัสน์ของตัวเองนี่อ่อนในเรื่องหนึ่งเรื่องใดงและไม่ยอมเปลี่ยนมัสับของตัวเองนี่ไปมัสับอื่นที่มีหลักฐานมากกว่าเพื่อปกป้องมัสับของตัวเองเรื่องนี้มีทุกยุคทุกสมัย บ้านเราก็มีบ้านเรามียิ่งกว่านั้นเรื่องปกป้องมัสยิดเนี่ย น, นี่มีอยู่แล้วนะปกป้องมัสยิดนี่มีบ้านเรานี่มีปกป้องสถาบันปกป้องสถาบันจะเป็นโรงเรียนจะเป็นองค์กรจะเป็นช่องจะเป็นเรื่อยๆไปอาจารย์ของข้านี่ผิดไม่ได้และถ้าผิดเนี่ยฉันก็ตามเขาถึงแม้ว่าิด ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้หรือบางทีเหตุผลหลักฐานรู้ว่าหลักฐานมันถูกต้องแต่ฉันชอบทัศนะของอาจารย์มากกว่าทําไมอ่ะมันมันตรงกับอารมณ์เรารู้เรารู้ว่าบุหรีนี่มันฮารอมหลักฐานมันชัดทั้งหลักฐานด้านศาสนาหลักฐานด้านวิทยาศาสตร์มันชัด แต่กูอยากสูบทำยังไงดีเออเจอฟัตวาอุลมามะบอกว่ามะกรูรู้กันรู้กับใจ น, นจี่ไม่น่าจะมะกรูมันไม่น่าจะมะกรูทำไมแค่เจอ DNA หมูที่มองไม่เห็นนะ่นนะเรายังบอกว่าฮารอมเลย DNA สุกรนะนะ่ะไปเจอหลักฐานะว่าไอเนี้ยมี DNA สุกรน ให้กินไม่ได้แตะไม่ได้ละซึ่งมันไอเนี่ยมั น, ม, นมันไม่ไม่ชัดร้อยเปอร์เซ็นตะ่ะว่ามันจะมันจะศาสนามไม่ได้บังคับถึงขนาดว่าจะต้องตรวจดีนเรื่องตัวจดีเอนี่ไม่ได้เป็นข้อบังคับนะเออให้เข้าใจใดีอันนี้ก็คือเรื่องเราตรวจสอบเราตรวจสอบเพื่อความสบายใจในในวัตถุดิบว่ามันปราศจาก แต่ไม่ใช่หมายรวงว่ามีด n a อนี่แสดงว่าฮารอมรอยเปอร์เซ็นตะไม่ใช่นะนี่ต้องเข้าใจนะอะต้องเข้าใจตรงกันนะมาหาว่าเออวิทยาศาสตร์ถ้าพบ d n เอแสดงว่าฮารอมพบพบด n a อนี่ไม่ใช่ไม่เสมอไปแม่เง้นนะ่ะเกบเกซยาที่เราใช้กันเนี่ยทั้ง DNA ออทั้ง d n เอสุกรนดีอลิงยังมีล <laughs> เลยเลือดลิงยังมี เพียบเลยไม่พ้นนี่เหตุผลเนี่ยเหตุผลว่ายึดยึดในมัจฮับในสถาบันมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่คริสตในยึดพระยึดเอาครูบาอาจารย์เอ า, เอ า, เอาบาดหลวงของเขาเนี่ยเป็นพระเจา้าตาซุบเหมือนกันนะสถาปนาเป็นพระเจา้านี่ก็เหมือนกันสถาปนาครูบาอาจารย์สถาปนามัจฮับสถาปนา สถาบันมีสถานะเหมือนอัลลอฮ์ละราซูลเชื่อฟังเหมือนอัลลอฮ์ละราซูลอ่ก็อธิบายนะว่าอันนี้เนี่ยไม่ถึงขนาดที่จะฟันทงว่าเป็นชีริกชัดนะแต่มินเมมินเมนูนะ่นวันเกี่ยมาดูอัลลอ์จะสอบสวนอีกทีหนึ่งทำไมทำไมไม่เชื่อฟังละท่านที่ตัวเองรู้แก่ใจที่มาจากฉันนะรู้แก่ใจว่ามันใช่แล้วไปเชื่อฟังมนุษย์ ทั้งนั้นที่รู้แก่ใจว่าที่มนุษย์พูดเนี่ยไม่มีเหตุผลด้านคำสั่งสอนทำไมและคำตอบของเขาเนี่ยรู้แล้วรู้รอดเนี่ยจะจะคำตอบนี่แหละ ว, ว่าจะพาไปพาไปไหนอีนี้ต้องยอมรับว่ามีบางคนจะเรียกว่าตาซุบกเรียกว่าตาซุบตาซุบนี่ไหมถึงว่ายึดโดยไม่มีเหตุผลน่ะนะแต่ไม่ได้ศึกษา คือไม่รู้ว่าหลักฐานน้ําหนักมากกว่านี้อยู่ที่ไหนแต่ฟังเงี้ยคือฟังแบบไปิดหูติดตาเนี่ยฉันฟังอาจารย์ฉันอย่างเดียวอันที่เนี่ยเบากว่านะเบากว่าคนที่รู้และไม่ยอมตามเหตุผลและหลักการคืออีกคนนึงไม่รู้เลยไม่รู้คือไม่รู้และมีชี้ด้วยทำยังไงอะกูตายอย่างเดียวอะบางคนเนี่ยบางคนที่ถ่อมตนอย่างเงี้ยบอกว่าฉันนี่ ก็เหมือนเดรัชานเดินเองนี่ไปไหนไม่ถูกเราต้องมีใครมาจูงต้งมีใครมาจูงฉันนะ่ะเขายอมเขายอมรับบอกเขาไม่มีความรู้เขาไม่มีความสามารถเขาตรวจสอบหลักฐานอะไรไม่ได้ฉะนั้นฉันจะเอาอุลมะคนหนึ่งอุลมะนี่พาไปไหนนี่ฉันก็ไปอันนี้ยังเบาหน่อยแล้วไม่สามารถตาหนิคนกลุ่มนี้เสมอไป เพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นไปนไม่ได้ว่าเขาจะไม่มีสติปัญญาที่จะแยกแยะหรือจำแนกเลยอย่างน้อยยงก็ต้องฟังฟังเหตุฟังผลฟังตัวบุตรแล้วก็พอที่จะเข้าใจอะไรบ้างคนเราเนี่ยต้องรู้นะเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะตามอัลลอฮ์ละระซูเหล่างเดียวทุกคนเนี่ยต้องรู้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 เฉลี่ยผู้ตามเนี่ยมีผู้รู้สมมติว่าหมื่นละคนอย่างเงี้ยอประเทศหนึ่งมีมุฟตีล้านละหนึ่งคนอย่างเงี้ยแต่ถ้ารก็เป็นมุฟตีซ ส, ส่วนมากเนี่ยโอ้โหเนี่ยแบ่งกันเลยพันมุฟตีให้ฟรั่วาห้าคนอย่างเงี้ยให้สนุกสนานเลยไม่ใช่ส่วนมากเนี่ยคนไม่รู้แต่ส่วนมากคนนี้ไม่รู้นี่ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้อะไรเลยอย่างเราเนี่ย ราเนี่ถ้าอา่านคุตตานเองอา่านฮะดิษเองอาจจะไม่เข้าใจแต่ไม่ได้หมายรวมว่าเราไม่เข้าใจเลยนะเราพอที่จะอา่อานอ่านความหมาย อ, าอ่านฮะดีษพอพอรู้เรื่องยนะิ่งยุคนี้เทคโนโลยีก็อำนวยคนเดิมนี้เนี่ยต่ก่อนนู้นนะ่ะดูละครดูหนังฝรัง่งนี่ไม่รู้เรื่องอะไรนะใช่ไหม อ่านข้อความภาษาอังกฤษภาษาอะไรนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลแล้วเดี๋ยวนี้ไปอ่าน Facebook ไปดูแต่ทวิตเตอร์ไปดูหนังดูละครโอ้มีแปลให้นะมีซับไตเติลออกมาเอองูประป๊าก็จริงนะครับก็พอจะแกะได้นะพอจะแกะได้แล้วก็รู้เนีสารคดีเอาอะไรก็ได้มันก็แปลให้ไปอ่านข้อความ Facebook ภาษาอะไรก็ภาษาลาวคมนี้หนึ่งอ่ะแล้วมันจะมีใช่หมแปรแปรออกมาเลย เป็นภาษาที่เราต้องการหู้กี่ภาษานะทูโรเขบอกกูเป็นรอยคุณแปลเลยแต่มาถึงกูอ่านไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอ่านไม่รู้เรื่องฉันไม่รู้เรื่องพวกก็ยังมีต๊ะคูทุกวันนี้หนะึ่งอย่าไปอ่านกูอ่านเองนะกูฟุนะอย่าอย่าบังอ่านไปเข้าใจกูอ่านไปอธิบายกูอ่านเองนะตกศาสนาเลยนะยนตกศาสนาเลยนะ ไม่ใช่ตกธรรมดาเนะ่ยตกเลยนะแล้วชาวบ้านแต่ศีรษาเขาทําังงก็กลัวสิกลัวกูอ่านใกล้ๆเหมือนเหมือนไตบิดกันนะก็ต้องคือใครจะอ่านเนี่ยก็ต้องภาษาบาลีก็ต้องต้องต้องนู่นนะต้องผ่านภาษาอะไรเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีชาวบ้านที่เขาที่โต้คูเนี่ยเสื่อให้เข้าใจแบบนั้นคนที่อ่านกูอ่านแปลกุูอ่านเนี่ยไม่ใช่นคนที่แค่ไป เรียนเมืองนอกเมงนายอย่างเดียวแล้วก็แปรไม่ใช่นี่ต้องเป็นปรมาจารย์เป็นผู้รู้ที่มีความรอบรู้มีความลึกซึ้งถึงจ ะ, ะนั้นแต่คนธรรมดาทั่วไปเนี่ยบางอาจไปอ่านกุตัานแล้วเขาจะกุตัานเองเอ ง, เองเนี่ยมีโอกาสตกศาสนาง่ายนะนชาวบ้านฟังผู้รู้เนี่ยกั่วสิครับผลที่ตามมานี่คืออะไรอ่านกุตัานเพื่อบรรกระ อย่างนคุตตานเดนบุญนี่จะได้มีผ ล, ลบุญอย่างเดียวแต่ไม่ได้อ่านเพื่อไข้คว้าไม่ได้อ่านเพื่อไต่ตองไม่ได้อ่านเพื่อนํามาซึ่งคําสั่งสอนของพระเจ้ามาปฏิบัติมาน้อมรับปฏิบัติในชีวิตเรื่องนี้มันกลายกลายเป็นเรื่องมี ม, มีกำแพงอ่านกุตตานจะได้ขัดเกาว์เออใช่นี่นี่เขาเราเตือนฉันอ่านจะได้มีผ ล, ลบุญอย่างเดียว ข้ตำหนึ่งอ่านก็ตําจะได้มีผลบุญอ่านก็ตําจะได้ยกอุทิตผลบุญพะดีย่อให้คนที่ตายไว้แล้วนี่มันมีแบบนี้มีแค่นี้มีแค่นี้ก็กระบาที่เสร็จไม่ได้ว่ากูอ่าน <c oughs> คนทั่วๆไปนี่เขาจะกูอ่านนี่สําหรับคนตายอ่านให้คนตายประเทอาหรับนี่พูดพูด ลั่นเป็นวาจาเลยนะบ้านที่ไหนนี่เปิดกุรอ่านก็บอกมีคนตายเหรอย่างงั้นนะฉะนั้นประเทศที่ผมเคยเรียนที่มาเลเซียอีบเนี่ยถ้างานนิก้านะห้ามเปิดกุรอ่านเป็นอันขาดทําไมอ่ะคนเขาจะผิดผมพูดจริงเธอเปิดกุรอ่านเนี่ยคนจะเข้าใจผิดว่านี่เป็นยันนาระไม่ใช่นิกา้า คนอีกาอกาเ น, น, น, นี่ยเขาไม่อ่านอุษานี่บ้านเราบ้านเรานี่อี ก, อ, กอีกรูปแบบนึงถ้าที่ไหนอ่านยาซีนอะใช่ไหมรู้เลยรู้เลยแต่วันซื่อนี่ก็มีแบบนี้มีมีอ่านยาซีนแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเพลงอีสานผมก็งง อ, อนี่แสดงว่ามีมี ม, ม, มีสังขายานาก็ด <laughs> ที่เยสีก็คนตายใช่ไหมอนี่นิกาแล้วเนี่ยสังคยานากันแล้วนี่ น, นี่จะได้มีบางส่วนของประชาชาติที่ตามผู้รู้แบบไม่มีเหตุผลเลย อ, อันนี้ต้องต้องแยกแยะนะ ถ้าคนที่ตามผู้รู้เพราะไม่มีความสามารถจริงๆและไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้จริงๆคนเหล่านี้เนี่ยเอาล้อเมีเอาโทษตามผู้รู้อย่างเดียวเพราะยังไงยังไงก็ไม่เข้าใจฉันจะอ่านเองจะศึกษาเองก็อาจจะเข้าใจบ้างแต่ไม่ไม่เข้าถึงไม่ลึกซึ้งแล้วก็จะไม่สามารถชั่งเหตุผล ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มีความสามารถเลยถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนะี่ยนะอัลล์ไม่เอาโทษอัลล์ไม่เอาโทษซึ่ ง, ซ, งซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างแบบนี้ก็มีนะก็คือหมายถึงว่าชาวบ้านที่ไม่ไ ม, ไม่ด้านการศึกษาไม่เอาเลยอะแต่จะมีที่ไหนล่ะมีปริญญาเอกม่รู้กี่ชิ้นพูดเรียนภาษาไม่รู้กี่ภาษา และจะมาบอกว่ากุดอ่านฉันไม่เข้าใจสาจีนสเปนอรังเซสยเยอรมันนี่ยพูดพูดพูดป๋อเลยนะได้ปญญาินเนียเองไม่รู้กี่กี่ตัวแล้วแต่พอมาถึงเรื่องศาสนานี่ฉันตามผู้รู้อย่างเดียวฉันไม่ฉันไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ศึกษาไม่อะไรเลยอันนี้เนี่ยอันนี้ต้องสอบถุกสอบสวนหนักหน่อย ทำไมอ่ะพออัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ได้ตำหนิมนุษย์ทุกคนนยที่มีสติปัญญาและไม่ใช่ละห ah ุมกูลูบุญละเอฟคาฮูนบพีมีหัวใจมีสมองแล้วก็มีคิดมีคิดใคมีคิดนะอัลลอฮ์ Allah นี่ไม่ได้หมายรวมว่าคนที่จบปริญญาอย่างเดียวนะมนุษย์ทุกทุกคนที่มีสติปัญญาที่สามารถใช้ในการใครครวญ ทำไมผมมาเน้นมาพูดเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องใหญ่ระดับประชาประชาชและมนุษยชาติเหตุผลที่มนุษย์บางกลุ่มนี่ไม่ยอมตามศัจธรรมไม่ยอมรับในความจริงในถูกต้องเนี่ยก็เนื่องจากว่าไม่ยอมฟังเหตุผลได้ยึดตามบรรพบุรุษยึดตามครูบาอาจารย์ ยึดตามความรู้ดั้งเดิมยึดตามคำสั่งสอนของปูญ่าตายายไม่ยอมใช้หัวใจสมองของตัวเองในการค้นหาความจริงและสัจธรรมทีม่เป็นเรื่องใหญ่และการหลงทางของผู้คนในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมักจะเกิดขึ้นจากนีนตามโดยไม่มีเหตุผลไม่ศึกษาไม่ใคร่ควรไม่ไตรตรองไม่ตรวจสอบ แถบทุกเรื่องนะทุกเรื่องที่เราจะมีปัญหาก็มักจะเกิดขึ้นอย่างเรื่งนี้ตามคนอื่นอย่างเดียวไม่ตรวจสอบตัวเองมีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์ไม่ใช้ความรู้ประสบการณ์ตัวเองในการในการไข่ควรในการตัในการค้นหาความจริงและสัจธรรมมักจะเป็นปัญหาทุกยุคทุกสมยัยมีอายะที่เกี่ยวกับที่เรื่องที่อยากจะขยายนิดหนึ่งเกี่ยวกับอายะสามสิบเอ็ดเรื่องไงฮะสามสิบ สองสิบเนื่องจากอายะก่อนหน้านี้นี่ที่อัลลอฮ์ได้ตำหนิผู้ที่เอาบาดหลวงปราดของเขายึดเสมือนเป็นพระเจ้า้างเคียงขังลัทธิอานน่ะแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ทำให้ผู้อื่นนี่หลงอัลลอฮ์จึงตำหนิคนที่มี ท่านกดีแั่นนี่ล่ะวยูริดูนไุนูร์ัลลอฮบีอัฟวาหิมวบัลลอฮลลอที่มนูรวาลูกร้กาฟิรพวกเขาต้องการเพื่อจะดับแสงแสงสว่างของลอห์ดับแสงสว่างของลอห์ด้วยปากของพวกเขาปากคนเขาจะดับแสง ไม่ใช่ดับไฟนะถ้าดับไฟนี่ด้วยปากก็คือเป่าแต่นี่ดับแสงด้วยปากก็คือด้วยวาจาเขาพูดอะไรวาจาของเขาอะไรที่จะดับแสงวาจาแสงตรงนี้นี่ก็กเป็นนามาทำคำสั่งสอหัวรี่เป็นแสงเวรมุมีที่ส่องให้เราได้เห็นหนทางที่ถูกต้อง วาจาของคนที่จะดับแสงของอัลลอฮ์สุบฮานะฮคือวาจาที่ควาที่สร้างความสับสนให้ผู้คนเนี่ยไม่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจคำสั่งสอนหรือคาดเคลื่อนในการเข้าใจดับแสงสว่างของอัลลอ์ด้วยปากของพวกเขาและอัลลอ์นั้นอย่อเลอัลล์นั้นไม่ทรงยินยอมอัลลอ์ไม่ยินยอม อิหลานอกจากไออยู่ที่มนุษย์เราคู่จะส่งให้แสงสว่างของพระองค์สมบูรณ์เท่านั้นเราจะไม่ยอมจนกว่าแสงสว่างของพระองค์เนี่ยจะต้องสมบูรณ์ไว้เราก็ไดหแก่ฟิลและแม้ว่าบรรดาผู้ปฏิสิทธ a ์ศรัทาจะชิงชังก็าตามก่อนนู้นนี่ยผเคยที่ว่ในสุรเราชกไม่ได้และอัไหน อายะหพูดถึงเรื่องเรื่องข้างนํานี่และแล้วผมได้เอ่ยอายะเนี buy, ้ในตีบอลอฮออิลลัยติมานูรเราเขาต้องการดับดับแสงของอัลลอฮและอัลลอฮไม่ยองอัลลอฮ์จะให้พะดีมีพี่น้องท่านหนึ่งซึ่งตอนนั้นนยังไม่ได้เป็นมุสลิม เขามาเขามาศึกษาเรียนรู้กุรานเนื่องจากว่าเขาทำวิทยานิพนธ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอิสลามนะตอนนั้นช่วงหลังสิบเอกันยาพักหนึ่งแล้วตอนนั้นคนทั่วโลกเขาก็สนใจเรื่องอิสลามมาศึกษาเรื่องเขาก็มาถามผมเรื่องมาสอบถามเรื่องจีฮานเพราะตอนนั้นนะ่ะดังมากเรื่องจีฮาน คำว่าจหฮันนีดังมากเลยใครๆกอ็อะไรนะจีฮานแล้วถ้าใครเอ่ยคำว่าจิฮันนี่เป็นบนแลดินไปเลยนะใครเป็นก อ, อิดาเป็นบนแลดินตะกอนนู้นนะประเทศไทยเนี่ยเริ่มสัมผัสกับคาภาษารับเยอะนะโอยเริ่มได้ยินแล้วพวกนักวิเคราะห์นี่ก อ, อิดาก อ, อิดาก อ, อิดุง <laughs> ฟตวัวจีฮเี่ยเยอะเลยนะเริ่ม คนสนใจเนี่ถ้ามีมีเป็นนักบูชาการนะเดี๋ยวที่หลังผมจะเอ่ยชื่ออะไรครับเขาก็มาศึกษามาถามเรื่อง jihad ผมก็อาจารย์อาจารย์ถ้าจะศึกษาเรื่อง jihad เนี่ยผมก็อธิบายได้นะอธิบายเรื่อง jihad ทั้งหมดแต่ที่จริงแล้วถ้าถ้าอยากจะเข้าใจแก่นแท้ของ jihad ต้องรู้เรื่องหลักการศาสนาอื่นๆบ้างผมแนะนําให้ท่านมาลองมา มาศึกษาตัฟซีร์ตอนนั้นสอนที่บังกอน้อยที่ที่บ้านนะให้มาศึกษาตัฟซีรกับเราผมจะเริ่มหลังละหมาดอิชาท่านจะมาตั้งแต่เวลามะกริบจนตัวค่ำเนี้มานอนมาร อ, รอนาบ้านได้ศึกษาก็ศึกษาศึกษากับเราน่าจะครึ่งปีนะแต่ช่วงแรกนี่ท่านได้ตอนนั้นยังอธิบายซุเอลบากร้อยอยู่ ผมก็เคอธิบายส่วนบุกรบแล้วก็จะบางทีก็มีอ้างจาอายะอื่นหนึ่งในนั้นคืออายะเนี่ยเขาจะพยายามดับแสงสว่างของอัลลอฮ์ก็อนอัลลอฮ์ไม่ยอมแล้วบางเอ่ยก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยอธิบายสุลตาว่านี่ก่อนหน้านั้นนานแานล้วปีสองสามปีและแล้วก็เป็นเทปเขาก็มาขอ บอกว่าเนี่ยอาจารย์มีไหมอธิบายสุตตะว่าเนี่ยเขาก็มีดอกไฮก็เอาไปแกะพี่แกะทั้งหมดนี่ไม่ได้รับอิสลามนะนั่นก็เอาไปแกะเอาไปแกะหมดวันหนึ่งก็หลานหลานก็เคยเป็นลูกศิษย์นะทุกคนบอกว่าลุงเขานี่คืออาจารย์คนนั้นนะเขาอยากได้รับอิสลาม แล้วก็ม า, <c oughs> มาที่บ้านนะมารับอิสลามผมก็ถามเขาว่าอาจารย์ศึกษาคือ ผ, ผมไม่กล้าที่จะถามรายละเอียดนะเพราะผมรู้เขาศึกษาอิสลามอย่างละเอียดมากเลยนะอ น, นีขนาดลูกศิษย์ผมเรียนกับผมเป็นปีไม่มีใครแกะแกะรูดเต่าใบผมเลย น, นี่เขามาแป๊บเดียวเนีนะ่เอาเอ า, เอามาอาทิตย์หนึ่งเอาแกะหมดแล้วศึกษาจริงๆตั้งใจเขาก็ เขาก็มีเรื่องยังติดขัดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องเรื่องวิถีชีวิตอะไรบางอย่างโอ้อันนี้เรื่องีธรรมดาอาจารย์ค่อยๆปรับก็ได้อันนี้ดีกว่าผมอีาจารย์น่คืออาจารย์อับดุลฮ ا ลุงโงนบบอาจารย์อับดุลฮ ا د อาจารย์อับดุลฮ ادي ตัวเล็กๆนุกก็อะไรนะมลมุกอาจารย์อับดุลฮนั่นผมถามอาจารย์ อาจารย์อะไรที่ทําให้กิติกินใจให้อาจารย์คือไม่ได้คาดคิดเขานี่มามาในฐานะเป็นนักศึกษาอยากจะอยากจะเรียนรู้เรื่องทิ่หาหนึ่งอะไรไม่อยู่ดีๆก็จะมารับอิสลามอะไรที่ทําให้อาจารย์เขาบอกว่าศึกษาสอดแต่ว่านี่ที่ไปแก่เนี่ยอายันี่สดุดใจมากเลยอายันเอายันี่ที่ทําให้เขาเนี่ยยอมรับในบารมีของล l l a h คือขาก็ศึกษาประวัติศาสตร์เห็นว่าเนี่ยตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยมุ่งชี้เป้าไปที่อาญาณิพยายามการพยายามที่จะดับรัศมีของอิสลามของอมุสลสงครามโคเซก็ตามสงครามต่างๆของคนดิคนที่ต้องการต้องการต้องการกลบสัจธรรมของอิสลา ม, นมเนี่ยไม่ให้ถูกไผยแพร่ แม้กระทั่งในบ้านเราแต่ไม่สำเร็จผลสแสดงว่าเขาบอกว่าสแสดงว่าที่เราอุยะบบลลาะแล้อัลลอฮฺอัลลอฮฺไม่ยินอยู่เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยสะเทือนใจจริงๆเราเนี่ยหรือถ้าคนคนเป็นมุสลิมเดิมมนะันอ่ะที่อธิบายแค่ไหนเนี่ก็อาจจะไม่กินใจ <laughs> อาจจะไม่ไม่สะเทือนใจเท่าร แต่คนที่เฝ้ามองอิสลามจากข้างนอกเนยอิสลามเอาไม่ลงเลยยังไงก็ดึงไม่ลงเลยอะยังไงก็ไม่กระทบอะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีหลายเคสนนะั้นโลกมุสลิมพวกบาดหลวงบาดหลวงที่มีตำแหน่งสำคัญในสถาบันคริสต์นะ ถูกใช้หน้าที่ของเขาเนี่ยให้ศึกษากุรานจะได้จัผิดเอาเรื่องเอาเรื่องแบบอื้อฉาวของศาสนาอิสลามเนี่ยเราจะได้โจมตีอิสลามเนี่ยนักศึกษาให้ละเอียดเลยนะเราจะได้เอาจับไอ้ไม้เด็ดเด็ดเนี่ยนักมาโจมดีคือไปลองของก็เลยโดนขออ ศึกษากุรอ่านยังละเอียดเลยเนี่ยจะจับผิดอะไรคือยิ่งศึกษากุรอ่านนยิ่งรู้ผิดของศา ส, สนาของตัวเองยิ่งเห็นความผิดที่อยู่ในศาสนาและยิ่งพยายามจับผิดก็ไม่เจอไม่เจอไม่เจอผิดที่จะสามารถเอามาโจมตีอิสลามได้หลายคนเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับอิสลา ม, มการอิสลามอุลามะจุนบอกว่า ث ي ا ل ل َّ ب َ ا ن َ مَثَلَ ت َ ا ت َ ه ي ب ن َ ا م ُ ش ْ ر ِ ك ِ ي ن َ مَيْتَ ا ل ن َّ ب ِ ي وَكُنْ ن ِ ي ن َِ و ْ بَيَامَ ي ا م ل ِ ي َ ن َ ب َ ع ْ يَنْعَ قُرْآنَ سَكْسُورَةً نِسْكَ أَيَّةً نِعْ ت َ م ْ د َ م َ فَأَتُو بِعَشْرِ س ُ و ر ٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَةً أَوْ سَكْسِبْ سُورَةً ك َ م و ه ب และคําท้าทายของอัลลอฮฺทุกวันนี้เนี่ยกนะ็ยังเป็นเช่นนั้นนะยังเป็นคําท้าทายคนที่เกียดชังอิสลามคนที่ต้องการหักล้างคําท้าทายนี่มีไหมไมีสิไหนว่า ท, า ท, า ท, า ท, าท้าทายว่าจำอุลัยไม่เนียนดูฉันทำให้เคยมีนักภาษาอับดับที่ไม่ใช่มุสลิมที่ไปวิ่ง <c> เ <ười> ชี่ยวชาญด้านภาษาอด้านกอรอนวรรณคดีสำนวนภาษาอับ เก็พยายามพยายามที่จะเรียนแบบแล้วก็ร่างพยายามร่างแล้วก็เขียนแล้วก็ขยันทุกวันเนี่ยก็พยายามไปศึกษาไปเพื่อจะได้จะได้ ร, ร่างสุรหแล้วก็มามามาเปิดคำคำรับทานี่ไงแล้วแต่ก็เขียนเขียนว่าหลายชุดแล้วนะว่านล้วแก็เดินก็เจอแล้วก็เขา สอนเด็กสอนเด็กสอนฟาติฮากุวลวลลาอ่านจริงเขาก็รู้ว่าฟาติฮาเขาก็รู้ว่ากุลวลลาเดือดแต่เขาแค่ผ่านได้ยินครูเนี่ยสอนเด็กอ่านฟาติฮสอนอ่านฟาติฮแล้วก็เด็กก็อ่านาคือเรียนแบบกูอ่านนี่ไม่ใช่แค่เรียนแบบสำนวน เลียนแบบให้สำนวนเนี่ยมีมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีมีความดนใจอ่ะคนอ่านนะแล้วก็ยอมสยบถึงจะร่างกี่มากน้อยเนี่ยในในโลกอาหรับเนี่ยที่ร่างทั้งกวีร่างทั้งทั้งบทความที่สวยงามแต่ไม่สามารถที่จะให้สำนวนของเขาเนี่ยกลายเป็นสำนวนที่เด็ก แต่ว่านั่งท่องจำมานั่งฮาฟิดกันไม่สามารถทําได้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เขาถือสมุดถืออะไรที่ร่างเนี่ยพอได้ยินเด็กกัน่าอ่านกุษานยังไงก็ไม่สําเร็จทิ้งยังไงก็ไม่สําเร็จเราจะเห็นการพยายามของคนที่ดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทุกอิชาชีพ นักคิดนักวิเคราะห์นักเขียนนักปราชญาแม้กระทัง่งนักแสดงนักแสดงทุกสาขาอาชีพเลยทุกสาขาอ า, าชีพไม่น่าเชื่อเลยสุดท้ายเขาก็ต้องมายอมรับในศัจธรรมของกุรอานกี่มากน้อยนักแสดง ผู้หญิงที่ไม่คุ้มมียาบแล้วต่อต้าน อ, อิสลามขณะที่เขาโดดดังนะเขาไม่ใช่ว่าแก่แล้วแล้วก็ไม่มีใครเอาเขาแล้วแล้วจะมาเตาบัดตัวนะไหมในขณะที่กำลังดังๆอยู่นะข อ, น อ, อลูกขอโทษต่อหรอกยอมรับว่าที่เราสอนนี่ใช่เลยที่เราสั่งสอนนี่ใช่เราเห็นเรื่องนี้แม่ก็ต้อง แม้จะตั้งคาสั่งสอนที่มันมีความชัดเจนแต่เราพยายามหลอกตัวเองหมายถึงว่าเราสามารถพิสูจน์พิสูจน์ด้วยตัวเองก็ไม่ต้องไปค้นหาตัวพิสูจน์ในอายะนี้จากคนอื่นนะจากประสบการณ์ของคนอื่ น, นะจากตัวตัวเราเองตัวเราเองคนที่เคยใช้ชีวิตแบบไหนะ ราเห็นรอนไม่เอาไหนเรื่องศาสนาลืมเหล่าเสพยาทาอะไรถึงวันหนึ่งก็จะต้องจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าที่อัลลอ์สั่งที่อัลลอฮ์ใมาทั้งหมดเนี่ยมันมันคือแนวทางที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับเรารู้ด้วยตัวเองมีนักนักแสดงก็กันัก แล้วเต้นคนหนึ่งทีีเขาเต้าบัดตัวเขาเต้าบัดตัวขณะขณะที่กำลังเต้นเต้นเต้นระบบาหน้าท้องอะ ท, ที่ที่ประเทศอีฟส่วนมากก็จะเกือบเปือยก้ายอะเต้าบัดตัวนี่ขนาดกำลังเต้นอยู่ดีนี่เพราพวกนี้นี่เขาจะ เขาจะปาร์ตี้กันยันสุโบงเนนี่กระหลักลีกำลังเต้นอยู่นะไม่ถ้าอะไรมีเสียงอาจารสุบโบน <laughs> เสียงอาจารสุบโบนนี่เข้าม า, าก็ต้องไม่ไม่ดังมาก แ, แต่ก็เสียงพอที่จะได้ยินพอที่นี่อีบนี่มัสยิดเยอะอย่างที่เคยเล่า่นะซอยหนึ่งซอยหนึ่งสามสี่มัสยิดโอ้ดังแี้เสียงอาจารสุบโบนนี่เบา อยู่ดีนี่ก็ตื่นตัวบอกว่าขออะไรขออะไรมาปิดหน่อยก็พ้าอะไรผ้านี่ผ้าปูต๊ะอะไรนไรั่นตัวแล้วก็เข้าเข้าไปร้องไห้เต้าบัดตัวไม่มีใครรู้หรอกครับว่าอัลลอฮฺสุบฮานวอฺเราะจะส่งทหารของพระองค์ที่จะปราบปราบคนที่ทา้าทายกับท่านสอนนจะเป็นยังไงนีไม่มีใครรู้ถ้าจะมาเปรียบเทียบระหว่าง การลงทุนของมุสลิมในการเผยแพร่ อ, อิสลามในการปกป้องอิสลามคับการลงทุนของศา ส, ะสะนาศา ส, ะสะนาอื่นในการเผยแพร่ อ, อิสลามเราก็จะแปลกใจว่าเราลงทุนน้อยที่สุดคนทํางานของเราหนึ่ขีเกียจที่สุดคนที่เผยแพร่ อ, อิสลามจี้เกียจที่สุดจริงมีไหมละ่ะคนที่ ไปด่าวอิสลามเนี่ยในป่าที่แอฟริกาคริสไปเลยนะบาดหลวงเขาจ้างเลยนะไปสามเดือนแล้วก็พักสามเดือนสวัสดิการครบถ้วนสมบูรณ์ใครจะไม่ไปเพื่อเหอลิมเรานี่ยอาจจะมีบางคนเนี่ยผมรับสมัครตัวไปดาวาคริสต์ให้เงินเดือนแค่เงินเดือนก่อนสวัสดิการ คนทำงานเพื่อศาสนาของเรานีก็น้อยนี่เราต้องยอมรับต้องยอมรับแต่ตามสถิติเนี่ยศาสนาอิสลามเติบโตมากกว่าทุกศาสนามากกว่าทุกศาสนาศาสนาบางศาสนาติดลบในว่าอิสลามนี่มีคนเข้าทุกวันเท่านี้เท่านี้แต่ศาสนาบางศาสนานี่มีคนออกจากเข้าออกจากศาสนา ลบแสดงว่าการพยายามแม้ว่าจะเป็นด้านสื่อจะเป็นด้านข้อเขียนหนังสือทำราที่จะลบลบล้างทำลายอิสลามนี่มีประสบความสาเร็จไหมไม่ประสบความสาเร็จตแต่กับสมัยนา บ, บีที่โดนข้อหาว่าเป็นคนบ้าเป็นนักเสศาสตร์เป็นอะไรก็ไม่ไสำเร็จผลว่าากลิฮัาฟรุนถึงแม้ว่าผู้ปฏิสทานีก่กจะชิงชัง ก็ตามคือจะไม่พอใจฉะนั้นอายะต่อมาเนี่ยเราก็ยืนยันว่าเหตุผลที่ไม่ประสงค์พระมร็ินนี้เพราะอะไร هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ل ظ ه ر ه على الدين كله ولقدي المشركون พระองค์นั้นคือผู้ที่ได้ส่ง رسول ของพระองค์ส่งศาสนทูตของพระองค์มา พร้อมด้วยคำแนะนำพร้อมด้วยทางนำอัลฮุดาพร้อมด้วยทางนำอัลฮุดาคือถ้าเป็นความหมายคุรุอ่านนักเรียนเก่าอังเขาจะแปลคำว่าอัลฮุดานี่ว่าคำแนะนำคำแนะนำอัลฮุดาคำแนะนำอันนี้มีเหตุผลที่เล่าเหตุผลนี้ให้ผมฟังนี่ก็คือ คุณพ่อของผมเนี่ยที่อธิบาย20ยุสุดท้ายซึ่งตอนที่ท่านอธิบายกุณอานย0ยุสุดท้ายเนี่ยท่านต้องศึกษา10ยุทแรกเนี่ยที่อาจารย์ดารีวินาหบัเนี่ยได้อธิบายอย่างละเอียดแล้วเขาบอกว่าคำอธิบายใน20ยุสุดยมันต้องสอดคล้องนอาจารย์ดารีเขาอธิบาย คำแนะนำอุูดาเนี่ยอธิบายเป็นคำแนะนำํำฉะนั้นในยี่สิบถ้ามีแค่ลุดด้าก็จะอธิบายแบบนี้มืนมันจะได้ไม่มันจะได้สดชื่นและแบบนี้เป็นในคําอื่นอื่นด้วยนะอา้าวและเหตุผลอะไรที่ อ, อธิบายอลุดดาว่าเป็นคําแนะนําเพราะถ้าอธิบายเป็นทางนําเนี่ยดูจะดีกว่าไหมอุูดาทําไมอ่ะเพราะอุดด้านี่ยไม่ใช่คําอ่ะไม่มีไม่มีความหมายกับคํา แต่รู้แคือทั้งนําแล้วไม่เป็นคําแนะนําเขาบอกว่าคุณพ่อเ น, นี่บอกว่าคือตอนนั้นนะ่ะความหมายกุตตานของอาจารย์อิบราฮิม ก, กุลิชีดเดลิคลิสิลิสวรัตตีพิมพ์แล้วตีพิมพ์ครบหมดแล้วฉะนั้นความหมายกุตตานของนักเรียนชาวอาหรับเนี่ยเขาพยายามที่จะ ไม่เ ห, เหมือนไงเพราะถ้าเหมือนนะ่ยมันก็ซ้ำไงมันก็ซ้ำซึ่งความไม่เหมือนนี่ก็มีหลายเรื่องเรื่องที่เขาต่อก่อนนู้นน่ะนักเรียนกขาอัตดับนี่จะโจมตีมากและหลังจากนั้นนะคุณพ่อพอศึกษาแล้วเนี่ยท่านก็เปลี่ยนก็คือข้อกล่าวหาว่าอาจารย์ดิเรกเนี่ยเป็นกน็เดียนีเขาก็พยายามที่โจมตีความหมายต่างๆที่อาจารย์ดิเรกได้ตีความได้อธิบายไว้เนี่ยในสิ่งที่เขาเห็นว่ามันไม่ถูกต้อง และนำเสนอว่าความหมายกุฎอ่านของนักเกรียนกันอาลลับเนี่ยไม่มีข้อผิดเพี้ยนของความหมายกุฎอ่านมายิทที่อาจา ร, ารย์อิมโรมกูริชีได้อธิบาย <gt. S 1> ฉะนั้นจะมีบางคำเนี่ยจะดูเหมือนว่าเออทําไมเขาแปลแบบนี้มันน่าจะแปลอีกแบบหนึ่งเช่นคำเนี้ยอัลฮูดะคาแนะนําอันนี้เป็นเหตุผลหนึง่งว่าเขาไม่อยากให้เรียนแบบทุกคำถ้าไปดูของอาจารย์ตี๋เนี่ยทุกคําว่าอัลฮูดะนี่นะท่านแปลว่าทางนํา เกือบทุกคำเนี่ยของอัลฮุดยานะีท่านแปลว่าทางนำซึ่งในวัวของผมอันนี้ต้องไปตรงมาต้องไปตรงมาว่าอธิบายคำว่าอัลฮุดาว่าเป็นทางนำดีนะผมว่าถูกต้องกว่าเหมาะกว่าได้ส่งกระสูลของพระองค์มาพร้อมด้วยคำแนะนำพร้อมด้วยทางนำมนาะด้วยด้วยความถูกต้องนะวัดีนหลัก และศาสนาแห่งสัจจะลิยูธิรหูเพื่อที่จะส่งให้ศาสนาแห่งสัจจานั้นประจักษ์อาลัดดีนี่คือเหลือศาสนาทุกศาสนาว่าเราเกลียห์มุสลิมกูนและแม้ว่าบัณฑามุสลิมบัณฑามุสลิมจะสิงชังก็ตามที่อัลลอฮ์ไม่ให้อะไรจะมาสามารถดับรถเมีดับแสงสว่างของพระองค์เนื่องจากว่า พระองค์ท่านเองเนี่ยดูแลศาสนานี้ด้วยการส่งบรรดานับีุลรอซูดพร้อมทางนําและศาสนาที่เป็นศึกจะรมนี่คือเหตุผลนั่นหมายรวมว่าเรากําลังบอกว่าศาสนานี้ค้าดูแลเองดูแลตั้งแต่ไม่ใช่มาเพิ่งมาดูแลสมัยท่านอบดมุฮัมมัดสุลลัลไม่ ศาสนานี่ยข้าดูลเองตั้งแต่บรรดานบีและรัชูดทั้งหลายเนี่ยทุกคนเนี่ยพระองค์สรงมาจนถึงนบีสุดท้ายเนี่ยที่หมายรวมมารัชทูละฮูนี่ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยจนกระทั่งส่งท่านนบีมุฮัมมัดสรซาลัมพร้อมทางนำซึ่งทานางนำที่ท่านนบีมุฮัมมัดนำมาเนี่ยไม่มีทางนำที่สันโดษนะ ไม่ใช่อยู่ดีดีอิสลามมาเป็นทางนํามาจะาเอะชาวโลกหนูจะตันทางนําไม่ใช่พอจะพิสูจน์แล้วเนี่ยทางนําของศาสนาอิสลามนี่มีเชื้อมาตั้งแต่ทุกศาสนาเลยเอาเอาเชื้อแห่งศัจธรรมมาจะทุกศาสนาเลยคนที่ศึกษาเรียนรู้ทางนําอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยก็จะพบว่าศาสนาอิสลามเนี่ยมีตั้งแต่เดิมเป็นคําสั่งสอนที่มีคล้ายคลึงกันทุกทุกคําสั่งสอนของบรรดา นบีและรอซูลทั้งหลายและเนื่องจากว่าศาสนาอิสลามนี่มาเป็นประทับตามาเป็นมาเป็นศาสนาสุดท้ายที่ประทับตาทุกทุกศาสนาว่านี่คือศาสนาที่แท้จริงที่มาจากพระเจ้าก็จะเป็นศาสนาที่เหนือกว่าทุกศาสนาโดยปริยาย กฎหมายเมือ่อหกสิบเจิปีหกสิบเจปีพอมาปีนี้ออกกฎหมายเนี่ยเขาจะระบุเลยนะกฎหมายมาตรานะี้อะไรนี่นถือว่าเป็นอันวยยกเลิกไปอันใดที่เป็นมาตราใดที่ไม่ไม่ตรงไม่ตรงกับกฎหมายฉบาับนี้ถือว่ายกเลิกไปเป็นเรื่องเรื่ธรรมดาขนาดมนุษย์เนียงเอียงรู้เลยว่า ของใหม่นี่มันจะมามันจะมาปิดดึงของเก่าถ้าหากว่าศาสนาอิสลามนี่คือศาสนาสุดท้ายใหม่ที่สุดเนี่ยแสดงว่าศาสนาอิสลามจะต้องเหนือกว่าทุกศาสนาความเชื่อแบบนี้ก็ต้องอธิบายบอกว่าไม่ได้เป็นการเหยียดหยามเสียดสีศาสนาอื่นเต่งได้ทำไมอะ เพราะทุกศาสนิกชนเนี่ยเขาก็เชื่อว่าศาสนาของเขาเนี่ยเหนือกว่าทุกศาสนาฉะนั้นฉะนั้นเราไม่ต้องไม่ต้องมาว่ากันเลยก็ทุกคนถ้าเราไม่เชื่อว่าศาสนาของเราเนี่ยสุดยอดที่สุดนี้ก็แสดงว่าเราไม่น่าจะเป็นศาสนิกชนศาสนานั้นๆนะใช่ไหมใครใครนับถือศาสนาไหนเนี่ยเนีย่ยจะกลัวเชื่อว่าศาสนานี้สุดยอดแล้วแลบางทีว่าเอ้ย ดูถูกศาสนาอื่นไ ม, ไม่ต้องมองว่าดูถูกศาสนาเพราะถา้าถามว่าแล้วท่านนะ่ะมองว่าศา ส, สนาอื่นดีกว่าศาสนาของท่านนะ่ะเปล่าคือถ้ามองว่าศาสนาอื่นดีกว่านี่ท่านก็คงไม่อยู่กับศาสนานี้แล้วนะสรุปแล้วท่าน ก, ทานก็ท่านก็ตอมองว่าศาสนาของของฉันเนี่ยดีที่สุดแล้วอดีตดูถูกศาสนาอื่นไหมเปล่าฉันนั่นนั่น ก็เหมือนศาสนาอิสลามไม่ได้ไมได้ดูและมุสิมก็ไม่ได้ดูศาสนาอื่นไม่ได้ดูศาสนาอื่นแต่เป็นเรื่องธรรมดาสําหรับคนที่คนเราเนี่ยมีอะไรที่ครอบครองเห็นนะนั่นคือสุดยอดเรามีพ่อมีแม่ไงพ่อแม่เราเนี่ยดีที่สุดในโลกแล้วเราพูดด้วยด้วยความภูมิใจฮะบางทีนี่ก็เห็นเออพ่อแม่ค น, ค น, ค, นคนอื่นเราก็ อาจะมีอะไรที่พ่อแม่เราแต่ยังไรก็พ่อแม่ดีที่สุดดีที่สุดในโลกลูกเราโอหน่ารักที่สุดหน้ารักที่สุดแล้วแมวที่เลี้ยงในบ้านเนี่ยก็น่ารักที่สุดแมวที่น่ารักที่สุดในโลกอะไรที่เราครอบครองนี่มันต้องดีที่สุดมีสุภาษิตอาหรับคืออาหรับเนี่ยเขาจะมองว่าลิงลิงเนี่ยหน้าตาลิงมีน่าเกียดที่สุด แต่กว่างนี่กว่างนี่มันจะสวยที่สุดกว้างนี่มันจะทรงทร ง, งมันสวยงามไงฉะนั้นอาราบนีเขายอกกว่างนี่มันสวยแต่ลิงนี่มันไม่หน้าตาไม่ดีเลยอะสุภาพษิอาราบีเขาบอกว่าลูกลิงนี่เนะในสายตาแม่มันนะเป็นกว่างลูกลิงเนะี่ยในในสายตาแม่นะเป็นกว่างคือสวยที่สุดแล้วเห็นไหม พ่อแม่นี่ก็มองลูกเขาว่าหล่อที่สุดแล้วสวยที่สุดแล้วธรรมดาสิ่งที่เราครอบครองทั้ง น, น, นี้ผมก็แน่นอนใครนับถือศาสนา ก, ก็ต้องแต่สำหรับมุสลิมาม่ะไม่ใช่สำหรับทุกคนที่สแสวงหาความจริงและศีจธรรมจะไม่พูดข้อนี้เนี่ยโดยปราศจากปราศจากเหตุผลคือจะบอกว่าศาสนาฉันเนี่ยดีเลิศที่สุด รู้อะไรบ้างในศาสนาัไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยในศาสนาไม่ปฏิบัติอะไรเลยในศาสนาซึ่งมุสลิมเราบางทีก็มีมีคือไม่ได้ศึกษาอิสลามเลยกุณอานไม่เอาเลยคือบางทีนี่ไม่เห็นดีอะไรกับศาสนาของตัวเองด้วยนะ ไม่ไม่เห็นดีไม่เห็นงามกับศาสนาตัวเองแต่ถ้ามีใครที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมาแตะอะไรศาสนานโอศาสนานขา้ามแตะนะไม่ใช่เนื่องจากว่าศึกษานะเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ฉันครอบครองเป็นสิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันเลือกแล้วอ่ะงี้อย่าอย่าดูถูกกันอะเร่งเรื่องนี้คนที่แสวงหาสัจธรรมเนี่ยก็จะไม่พูดแบบ ไม่พูดแบบนี้ตัวพิสูจน์ที่เราพิสูจน์ได้ในเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าท่านนบีสุล الله ของอาเลวสลมได้อธิบายไว้ท่านนบีได้อธิบายไว้ในฮะดีสหลายบทนื่องจากว่าเ็เสียบทผก็อนเนมาอ่านให้พี่น้องฟังบ้างนะครับะดีบันทึกโดยอิหม่ามอ Ahmad حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا سليم ابن عامر عن ت م ي م من الداري ت م ي م دينك عنينك صحابنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت دين النبي صلى الله عليه وسلم يقول ت ن ب ي كلاوع لا يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار كتكان سسناني النبي هو كتكان سسناني จะไปถึงทุกพื้นที่ที่มีปรากฏกลางวันและกลางคืนมีกลางวันและกลางคืนที่ไหนอิสลามนี้จะปรากฏเนี่ยที่อัลลอฮฺยุฮิรรัหูาลัดดีนคุลลีอิสลามนี้ได้ประจักษ์เหนือกว่าทุกศาสนาและท่นบิบูต้าบอว่าวะไลตุรุคุลลอฮฺเบยต์มดรวะไลวบรอิลลัตขัลลฮาดัดดีน เราจะไม่ปล่อยให้มีบ้านแม้จะสร้างจากก้อนหินหรือจากขนสัตว์ขนสัตว์นี่ก็คือเต็นต์นะตะก่อนนั่นเต็นต์ขนสัตว์กล่าวคือชนบทและเมืองเมืองส่วนมากบ้านเป็นหินและชนบทบ้านส่วนมากก็เป็นคนสัตว์อัลลอฮฺจะไม่ปล่อยให้มีบ้านไม่ได้รินใบ้บ้านไม่ได้รินเปว่าเปว่า กันหินว่าบริ้นขุนศักด์ إلا أدخلوا هذا الدين وانتهى الله تعالى سسنعني قوبي نبلا بعز عزيز بعز عزيز ด้วยอำนาจของคนที่มีอำนาจเอา بذل ذليلين หรือด้วยการบังคับให้คนต่าต้อยต่าต้อยเพื่ออำนวยให้อิสลามได้เข้าถึง บ้านทุกเรือนยังไงทำไมจึงว่าอิสลามนี่จะเข้าทุกพื้นที่ทุกบ้านทุกหลังทุกเรือนด้วยอำนาจของคนที่จะอำนวยให้อิสลามนี่ขยายหรือคนที่จะขัดขวางขัดขวางอิสลามแล้วอัลลอฮ์จะให้เขาต่ำต้อยเพื่อให้อิสลามนี่สามารถขยายได้อิสลามอำนาจ ف ي الله سبحانه وتعالى جه ي اسلامنا سونسوم وذللا ي ذ ل الله به ا ل ق ف ر ا ل ر ق ا ت متضوي تي الله جه اي ق ف ر كان بتسير سطانن بنسين دي متضوي فكان تميم من الداري تميم الدارين كلا بن كريسم ورب اسلام ه و و ي ق و ل قد عرضت ذلك في ه ل ب ي ت ي شندي رؤي و نهني في يا ف ي ناون تكولون من شندي ل หลือดอ م ศอัลบ م ้มอัลสลาม์มีหนุ่มขี้ยาแล ي ชาร์ฟแ ل ะอีซทุกคนที่รับอิสลามได้ประสบก์ความดีกิตติยดและอดอนาจ่เป็ ا ม ا น م ن อคนที่เป็นคาเฟ่และ ا ุลและซารุและดุลและซารุและด و ซิตทุกคนที่ไปฏิเสธเม่ยอมรับอิสลามนะต้องประสบกับความต่ำต้อยความตกตําและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องใจทีเ ف ر أ ميام ميام ر ب الإسلام. ا و أيانز ي ت ع ن ي ي ب د ك م إمام مسلم. حدثنا ا ب و م ع ن زيد بن يزيد الرقاشي. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا عبد الحميد بن جعفر. ابن جعفر عن ا ل ا س و د ابن العلاء عن ا ب ي سلمة عن عائشة رضي الله عنه قال ت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ت ن ب ي كل واحد. لا ي ذهب الليل والنهار حتى تعبد وال ا س س ل ت ك ك ى ت ي ا ا ل ت والعزة كن كل لك وان يتم ไม่สิ้นสุดในโลกนี้เนี่ยจนกว่าอัลลาะและลอฮ์ซึ่งเป็นเจวิตสองตัวที่เคยถูกสักการะที่ข้าบสมุดอาดัมากที่สุดขณะที่ชาวกูเรชเนี่ยชาวมักการเวลาเขาจะสาบานเนี่ยเขาจะสาบาน والله و ا สาบานด้วย ด้วยนามของอัลลอและการอุะเป็นเวิที่ถ <Allah'> ูกยกย่องหมายถึงว่าอัลลฮให้พวกเจวินี่จะกลับมาถูกสักการะถูกบูชาอีกที่หนึ่งในก่อนวันสิ้นโลกก่อนวันเกียมะ้อากอย่ลกุรานทอยู่ในหนอาท่ม่นหังสืลกอนทียูกุรอนูัลกุาลรอานอนกุรนที่อยูนนัุ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 ข้าพเจ้านี่กูาอาหมายถึงว่าศาสนาอิสลามจะเหนือกว่าทุกศาสนานี้แล้วจะสมบูรณ์แบบนี้ตลอดไปจะไม่มีจะไม่มีศาสนาอะไรเลยจะเหนือกว่าอิสลามแต่นี้นบีบอกว่าก่อนวันสิ้นโลกนี่เดี๋ยวคนก็จะกลับไปบูชาจเจวิเหมือนเดิมเอาเละศาสนาอิสลามล่ะท่านนาบีก็บอกว่าก้าละ อันนั้นเขาจะเป็นเรื่องนิรันดร์อละอิสลามจะอยู่นานๆยาวนานเลยมาช่าอัลลอฮ์นี่สำนวนแบบยานานเลยแบบมีมีแน่นอนซุ่มเ ث ื่อบัสุลลอฮฺริฮละอัลลอฮจะส่งท่งพายุพายุ ยินต่อยังพายุยินยินพายุลมยินนะฟาเยตอฟฟ่ามันแกนในใจเขาเนี่ยมีมีเมล็ดพืชเท่ากับเมล็ดพืชของ إيمان เมล็ดพืชขรดลขรดลนี่เป็นมันเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง เมล็ดของมันเนี่ยเท่ากับเมล็ดงาเอ็นงาเม็ดหนึ่งแค่ไหนงางาขาวหรืองาดำเนี่ยเม็ดนี่แค่นั้นั่ะขรดลนี่ก็เท่ากันแหละใครที่หัวใจเขานี่มีอิมานเท่ากับเมล็ดขรดลนี่นั ا ا ่นอิมันมันมันงาเนี่ยมีอิมานแค่นี้นะอัลลอฮฺจะยึดวิญญาณไม่ให้มีชีวิตทําไมอะ หมายความันละเคระวี่ไม่มีใครเหลือนอกจากคนไม่มีความดีเลยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นในฮะดิษอีกบทหนึ่งท่านนบีระบุเลยว่านี่เป็นสัญญาณเป็นอาชรัสอีส่าติลคุบราสัญญาณวันเกียร์มาใหญ่สัญญาณใหญ่บางบทนี้ท่านนบีบอกว่าละตะกูมุษะฮะทุว่าอริมันยวลุอัลลอฮ์อัลลอฮ์วันเกียจะไม่เกิดขึ้น ขณะที um galaxies, player, akin, came, ่มีมนุษย์กล่าวอัลลอฮ์หมาที่ื่าก่อนที่จะเกิดวันเกียร์มาเนี่ไม่มีใครไม่มีใครรู้จักอัลลอ์เลยถึงขนาดแค่กล่าวอัลลอฮ์นี่ไม่มีเลยนะอันีสิบทหนึ่งท่านเบบีซัลลลอฮ์ละสัลลัมวะกูละตะ قوم الساعة إلا على شِرَارِ ا ل ْวันเกยมจะไม่เกิดขึ้นนอกจากว่ามนุษย์ที่อยู่ตอนนั้นนะตอนวันเกียร์มาเนี่ยคือคนที่เลวสุดๆชีรารเลวที่สุด เรกว่านั้นไม่มีแล้วดูอาบางคนบอกว่าโอ๊ยถ้าอย่างนั้นของเราไม่ทันหรอกก็บอกแล้วออละงะวาดงัดคือแค่ผิดหน้าของดัจจานนะดัจจานี่ทำให้คนเนี่ยมีความศรัทธาแล้วก็หลงหล ง, ลงตามดัจจานแล้วก็จบแล้วไงเราก็ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาแล้วไงผิดหน้าที่ทาให้เราเนี่ยบิดพิว โดยไม่ร er ู้ตัวมันก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วมันเก้ยว่าเกิดขึ้นตอนนั้นฉะเราจะบอกว่าเออคงมันเกียร์ไมอีกนานนะไ่ถใครจะรู้ล่ะมีเรื่องแผ่นดินไหวที่กําลังเกิดขึ้นบ่อยครั้งสิหวัดเสียวเหมือนกันนะคนที่โดนแผ่นดินไหวเสียเสียชีวิตในแผ่นดินไหวนี่โชคดีแต่คนดีคนที่ยังหลงเหลือยังมีชีวิตอยู่พวกเรานี่แหละน่ะเสียวนะ แผ่นดินไหวนี่เมื่อวานก็มีนะเมื่อวานเออเมื่อวานเย็นเนี้ที่ตุรกีก็ยังมีอยู่คนเสียชีวิตหลายคนเหมือนกันเมื่อวานมันซืนที่ที่อินโดก็มีแผ่นดินไหวสัญญาณต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นเรื่อยๆก็ไม่รู้คนเกี่ยว่าขนาดท่านนบีนู่นนะท่านนบีว่าบุยธุวส่าตุกะฮะเต ชั้นกับวนเกียรมาเนี่ยถูกส่งมาเนี่พร้อมๆกันแบบบินิ้วกลางกับนิ้วชี้นิ้วกลางกับนิ้วชี้น้อยคนนะนะน้อยคนที่นิ้วกลางเท่ากับนิ้วชี้เคยเจอไหมมีพวกเราดูดิมีไหมมีไหมน้อยแต่ผมเคยเจอเคยเจอเคยเจอแล้วก็เป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องแปลกคนทุกคนนิ้วชี้นิ้วชี้เนี่ย ต้องสั้นกว่าสั้นกว่านิ้วกลางแหว่นิดนึงเดียวทำไมอ่ะทำไมนิ้วชี้สั้นกว่านิ้วกลางทำไมเราเรียกกันนิ้วชี้เพราะชอบใช้ชี้ใช่ไหมแต่มันสั้นกว่านิ้วกางมันจะได้ชี้ชี้น้อยถอมตนและกรชี้น้อยอีเราเนี่ยชอบชี้เยอะ ใช่ป่ะชอบชี cat, HI, e thể, được được ้เยอะและนิ้วกลางนี่ไม่ได้มีไว้ใช <gy> ้อะไรเลยนะแต่ปรากฏว่าถูกใช้มากกว่านิ้วชี้ใช่ไหมเออยิงช่วงเนี้ยคนที่น่าจะเป็นปัญญาชนชี้นาสังคมปรากฏว่าเออแทนนี่ใช้นิ้วชี้มาใช้นิ้วกางเว้ยนี่นี่ที่อัลลอฮ์สร้างไว้อย่างนี้อัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์สร้างไว้นี่มีเหตุผลมีเหตุมาในตัวเราแน่นอน ไม่ต้องมีตัวบทละท่านมาสอนทำไมมีหูสองข้าง응แล้วก็ไมมีปากช่องเดียวมีหูสองข้างเราจะได้จะได้ฟังให้เยอะมีตาเนี่ยจะได้อ่านจะได้ดูพิจารณาให้เยอะแต่ปากในเวลาพูดเนี่ยต้องพูดให้น้อยทั้งหมดทั้งเนี่ยมันมีมันมีคำสั่งสอนในตัวนบีบอกว่า ฉันนี่กับวนเกียร์มาเนี่ยถูกส่งมานี่เหมือนอีสองนิ้วเนี่ยนิ้วชี้กับ น, นิ้วกลางไกลชิดกันขนาดไหนนี่ผ่านไปแล้วเนี่ยพั1400นสี่ร้อยปีนี่ระหว่างนิ้วชี้กับ น, นิ้วกลางนี่โอ้พันสี่รอปีแล้วเบนไปได้อะมันยังอีกนานอนะ่ะโอ้โหอีกนานไม่มีไม่มีมมมอุลามาบางท่านบอกว่าที่จริงแล้วเราอย่ามอง สัญญาณวันเกียรมะให้เป็นปลายทางของเราไม่เรามองความตายต่างหากเพราะท่านนาบีบอกว่ามนม้แต่ฟะกขกอมาเกียมาถูกผู้ใดที่ตายแล้วเสียชีวิตแล้วนั่นนะ่ะเกียรมัรของเขาเนี่ยเริ่มต้นแล้วทำไมพอมีห้อที่สิบบทหนึง่งท่านนาบีบอกว่าระหว่างคนที่เราเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ถูกฝังในกุโบเนี่ย ระหว่างเขาที่เสียชีวิตกว่าจะถึงวันเกียรมานี่นะเทียบเวลาเท่ากับอัสรีถึงมกริบเราเนี่ยคนที่ตายอยู่ในกุโบนี่จะรู้สึกจะรู้สึกวันเกียร์มั้งมริบอัสรีมกริบเพราะเวลาของเวลาของคนเป็นกับคนตายนี่ไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าการตายของเราเนี่คือวันเกียรมา้ และระหว่างตายแล้วเนี่ยในคูโบโกะจนถึงเกียรมาเนี่เท่ากับมแสดงว่าถึงวันเกียรมานี่สั้นไหมสั้นนิดเดียวไม่มีทางหรอเราที่จะมีะสมมติว่าคนสมัยท่านนาบีและจะมีอายุยืนนานถึงวันนี้ในพันสี่รอปีถึงจะมาบอกว่าโอ้โหนี่ผ่นอยู่พันสี่อปีวันเกียมมายังไม่เกิดขึ้นสะทีไม่ใช่ เขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยเมื่อันสี่รอปีนี่นะระหว่างเขากับวอเกียมาถึงแม้ว่าจะมีสี่ห้าอีกห้าพันหมื่นปตมืนปีนี่มันก็จะเทียบเท่ากับเวลาอัสรีถึงมงกริบฉะนั้นระยะเวลาของเขาเนี่จะหกสิปีอายุไขัยเขาเนี่ยเจสิปีแปสิปีพอตายแล้วนะแล้วก็อัสรีถึงมงกริบเนี่ยฉะนั้นวอนเกียมาหนีสั้นไหมสั้นที่สุดแล้วะนี่เดียว แต่ที่สำคัญนะว่าเราอย่าปรากฏอย่าปรากฏจะได้เห็นเหตุการณ์ฮวนเกีาเพราะอันนั้นอันนั้นน่ะที่เสี่ยงและอันตรายที่สุดนบีมุกัฟายะรนะอีลาดีคนสุดท้ายวันเกียร์มาเนี่ยก็ไม่สินซากแล้วไม่เหลืออไแล้วฟเขาก็จะกลับอิลาดีนี่ยไกลับไปสู่ศาสนาดั้งเดิมของบรรพบุรุษนี่เรื่องอันตราย เพราะคนที่อ้างบรรพบุรุษเนี่ยเราไม่รู้นี่จะอ้างไปถึงไหนบรรพบุรุษไปถึงไหนคือได้จะสมมติหน่อยบางทีเนี่ยเราพูดถึงเรื่องที่ถูกต้องทำหลักการศาสนาไม่เอาฉันเอาถึงบรรพบุรุษเอาก็บรรพบุรุษถึงนบีเนี่ยก็ถือว่าเก่าแก่กว่าก้าวแก่กว่าน นบีก็บรรพบุรุษไม่ใช่เหรอแล้วาลบางคนจะเอาเก่าแก่บรรพบุรุษคือก่อนท่านนบีเนี่ยอ๋ออยากจะกลับไปเหมือนชาวกุเรช์ะนะบูชาเจาวิตที่ประเทศซาอุดีที่เคยเป็นแบบอย่างของศาสนาของสุนนะของแนวทางที่ถูกต้องวันดีคืนดีเนี่ยผู้นำซาอุดีและคนซาอุดีส่วนมากส่วนมากประชาชนส่วนมา ก, ก น, นะเปลี่ยนหมดเลยเฮ้ย เฮ้ยไอเรื่องนี้ไม่ใช่เรานี่จะกลับไปสู่ดั้งเดิมของเราเราเคยเป็นคนเสรีเป็นคนจัดคอนเสิร์ตทอดฮิจาไมเา่เรื่องธรรมดาแล้วมีคนก็กเลยแซวเขบอกว่ารีบไปทำอุมรค์ไปทำหัตซะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะดันไปเอาเรียนแบบชาวกุเรชุนนะเอาเวิตมาวางหน้ากาบ้านยุ่งเลยนะ ยุ่งเลยนะพอที่เขาทาเนี่ยที่เขาจัดคอนเสิร์ตเขาบอกว่านี่เราต่กอนนู้นเราเป็นแบบนี้แต่กอนตอนไหนอะต่กอนนู้นตอนไหน อ, อ, นน อ, นหนอคนก็เลยุเสียวเลยที่บอกโอ้โห oh, ต่กอนนู้นอนะดูเอาตะกอนนู้นอนะสมยัยกนะูเรชเนะ่ะนายุ่งเลยนาะกาบ้านอิจเวตเต็มหมดเลยนะเดี๋ยวนี้นี่ก็เริ่มมีมีความเพี้ยนเพียนละที่ประเทศอิมเรีตเมื่อสองสาวันที่ผ่านไปแล้วเนี่ย ประกาศสถาบนาบ้านนบีอิบรอฮิมสถาบันนบีบราฮิมอัลเบยตุลอิบราฮิมีอะไรมีโบทบทคริสตโบทยูและกามสิทให้ประกอบศาสนาคิจต่างคนตามศระสากิจแต่มารวมกันคุยกันเรื่องสันติภาพเรื่อง เ, เรื่องส่วนร่วมที่เราสามารถสมัครสมานกันได้ซึ่งความคิดนี้เนี่ยมีมความผิด ท, <c oughs> ที่ใกลแรงที่อุลลามาเขาเคยฟัตวากันมาเย <c oughs> อะอุลมามที่ซาอุดีเนียเงียบกริบเลยนะเงียบกริบเลยแล้วแต่ก่อนนู้นอุลลามะที่ซาอุดีสมาชิบิมบาสก็เคยออกฟัตวาแล้วว่าการผนวกสามศาสนาให้เป็นศาสนาเดียว เป็นความผิดที่ร้ายแรงผู้ใดที่นับถือความคิดแบบนี้ถือว่าตกศาสนาอย่างชัดเจนพะตัวอิชิิบิมบสแต่เดี๋ยวนี้อวลมามซาอุดีเงียบกริบเลซาอุดีเนี่ยรัฐบาลซาอุดีนี่ประกาศว่าจะพัฒนาเมืองหลวงให้มีโครงการหนาเรียกโครงกา ร, จรกัจตุรดเจตุรดนี่มี อาคารสี่เหลี่ยมคล้ายๆกาบ้านเลยคนก็วิพากษ์วิจารณ์ของกนี้นี่ให้ดูบ้านเรายังไม่ได้เป็นข่าวนะนี่ที่ริยนระไม่ใช่มั ก, การน่ะอันนี้อาคารนี้เนี่ยกว้างสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยเมตรเกือบครึ่งกิโลสูง สี่ร้อยเมตรกว้างยาวสี่ร้อยเมตรสูงสี่ร้อยเมตรอาคารนี้ข้างใ น, นมีตึกแล้วกี่ตึกนะตึกมีความยาวมีความสูงข้างในนี้จะเป็นโรงแรมคนโดห้างสรรพสินค้าชื่ออาคารเนี่ยเขาเรียกอาคารเนี่ยชื่ออาคารเนี่ย Al Mukab Mukab Hotel ในโซเชียลเนี่ยถูกวิจารณ์เนี่ยนะว่าทำไปทาเป็นอาคารอะไรให้อลังการที่สุดแต่ทำไมต้องต้องในรูปแบบนี้กว้างยาวสูง400เมตรบรรจุได้อาคาร20หลังเท่ากับเอ็มพอร์ที่ที่อเมริกานี่เบเออร์ Empire นี่ร้อยกว่าชั้นนะอันนี้จินตนาการไนะไม่ใช่เรื่องจริงนะก็ถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางว่า เขาต้องการอะไรเราก็เราก็ไม่รู้คือเราเห็นอะไรบางอย่างที่ประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นประเทศที่มีมักกะมัดีนาเนี่ยและเราเป็นห่วงจริงๆสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงไปล่าสุดนี่ก็มีนักท่องเที่ยวต่างศาสนิกที่เข้าไปถึงมัสยิดนบีหน้ามัสยิดนบีโดยไม่ได้คุมฮีจั มาเห็นคิปกันเองผมเอาคลิปมาเปิดไม่ได้นะหญิงแต่งตัวไม่ไม่ดีเลยอ่ะไม่เรียบร้อยเลยแล้วก็มีคุ้มค่าเราไปเจอเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ก็พูดพูดกับเขาพูดนั้นช่วยคุณนายช่วยปิดนะช่วยปิดปิดปิดหน่นี่นะพี่น้องนี่ใครใครเคยไปเที่ยววัดพระแก้วมาเนี <laughs> <laughs> ่ยหน้าวัดพระแก้วในเมียอะไรจะมีร้านเช่าเช่าชุด กางเกงยาวเสื้อแขนยาวคือชุดเรียบร้อยแล้วก็มีผ้าคุมทําไมอ่ะเขา้าวัดพระแก้วนี่ก็ถือว่าเป็นฮะรรมในแผ่นดินฮะรอมเข้าแล้วเนี่ต้องให้เกียตรติสถานที่วัดพระแก้วนะมาไอมัสสิดอัสซัดก็เหมือนกันนะใครเข้านมีนะมีรองเท้ามีอะไรมีผ้าคุมแต่งตัวเรียบร้อยมัสสิดตะบีนะมาแต่งตัวนุ่มกางเกงยีนแลเข้า อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงคนคนช่วงนี้ที่ไปทำอุมงรอไปทำพัดเนี่ยเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะไม่ใช่ไม่ใช่ระดับ <c oughs> นโยบายของร้านไม่ระดับมหาภาพแต่คือประชาชนด้วยอะ่ะร้านที่เริ่มมีผู้หญิงขายของแบบเปิดเผยอะไรอย่างงี้ยเดีนี้ขายบุหรีนนะ่นะนะที่หน้ามสัสยิดฮะรอมหน้ายังขายบุหรี่ปะ ไม่รู้เลไม่ได้ซื้อนี่คือแต่ก่อนนู่นนะห้ามเลยไม่รู้แย่นี้ก็ยังไงได้ยินได้ยินว่า เ, ออเริ่มมีเขาก็าเริ่มยืดหยุ่นเหมือนกันนะ <c ười> เราต้องขออุทานนะครับว่าเราอยากจะเห็นความยิ่งใหญ่ของศาสนาอิสลามเราอยากจะเห็นให้เราได้มีส่วนร่วมในการ เปยแพร่ศาสนาอิสลามเนี่ยให้ยิ่งใหญ่นี่เป็นความปรารถนาของทุกคนที่มีความเลื่อมใสต่ออิสลามและทุกครั้งที่เราได้เห็นว่าอิสลามด้วยน้ํามือของมุสลิมเนี่ยพยายามสร้างความตกต่ําเนี่ยเราต้องเสียใจยเราต้องเสียใจยเราไม่มีเจตนาไม่ดีกับคนหรือรัฐหรือสถาบันองค์กรหรือประเทศนะ ปรารถนาดีของเราในต่ออิสลามเราความเสียใจของเราในที่เกิดขึ้นในสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นับอิสลามเท่านั้นนะครับขออววยอัลลอฮ์ سبحانه และให้อัลลอฮ์ได้คุ้มครองพวกเราและปชะชาตนอิสลามทุกคนะครับซุลลัลลอฮุอะลัยฮาบิซาลมุลลามุอะลัยครุราะอนมมมการขึ้นเสาเอกที่จริงเนี่ยการขึ้นเสาเอกเนี่ย อันนี้ต้องอธิบายจะได้เปรียบเทียมนะ่ยการขึ้นเสาเอกเนี่ยเป็นประเพณีหลายประเทศนะเกือบทุกโลกในมีแต่การขึ้นเสาเอกเนี่ยถ้ามันมันเป็นเรื่องพิธีทางสากลไม่เกี่ยวกับศา ส, ะสะนาก็หมายถึงว่าเพราะมันเป็นเสาแรกะนะเท่ากับเป็นการเปิดเปิดโครงการเปิดการเทปูนเสาแรกอย่างเงี้ย ก็จะเป็นพิธีประกาศว่าอันนี้เริ่มเริ่มโครงการแล้วนะถ้าเป็นวิธีสากลที่ไม่มีความเชื่อมาปปนไม่มีพิธีทางศาสนามาเกี่ยวข้องอันนี้ไม่เป็นไรหน่วยราชการได้รับงบมาจะได้ประกาศว่าเออฉันรับงบมาจะสร้างแล้วมีประกาศแล้วกนะ็เลยทําพิธีคือพิธีประกาศนะนั่นแค่นั้นแหละไม่มีอะไร แล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เอ้าเชิญบางทีมาช่วยมาช่วยเทปูนหน่อยช่วยผสมปูนแล้วก็เทหน่อยเนี่ยให้คนเห็นนะว่าเออหนูใหญ่มันมาก ร, รับรู้แล้วนะอะไรอันนี้ไม่เป็นไรแต่บางทีก็ต้องดูในเรื่องคําศัพท์นิดหนึ่งอย่างเช่นบางทีเนี่ยก็ใช้คําว่าวางซีราเรื่องเรื่องคือที่จริงเนีเวลาเข้ามาว่าเข้ามาในเรื่องไม่ได้อะไรเลยก็คือแค่มาเทปูนกันน่ะ แต่ทำไมต้องใช้พพราะเนื่องจากว่าเราไม่ระวังไงมีเกมีมีเ ก, ม, ม, เกมีแรงมีอะไรนันนี้มีความเชื่อละอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงวางรากฐานอะไรเงี้ยสีราฐานอ่างกาว่ากันไปให้ให้มันหลีกเลี่ยงจากเออหลีกเลี่ยงจากาความเชื่อหรือคําศัพท์ที่มันสื่อถึงความเชื่อแต่ได้หากว่าเสาเอกที่ มีเรื่องพิธีมีความเชื่อมีความเชื่อเช่นเสาเองนี่ต้องมีปักเอาเอ า, เ อ, าอ้อยมาปักเอาต้นกล้วยมาปักอบบนี้ฮะผ้าแดงผ้าเขีย ว, เ, เ, ยวเชิญต้นละแบร์มาอ่านยาซีนมาอ่านอันนี้เป็นพิธีทางศาสนาและเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องถ้าหากว่าเชื่อ ว่าสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์สุภาหน้าอวดานะสามารถมาคุ้มครองตึกอาคารเรือนนี้เกรงว่าเกรงว่าจะเป็นชิริมมุสลิ ม, ม่มมีบางอาจที่จะขอความคุ้มครองอื่นจาก h h อัลลอฮ์สุภาน้าอวดานอาสุนว่าเราเชื่อว่านี่ต้องปักอ้อยนี่มันชีวิตชีวิตป้านนี้จะได้หวานเอาเชื่อว่าอ้อยนี่มันมันทำให้ชีวิตเราหวานจริงอ่ะ เกรงว่าความเชื่อแบบนี้เกรงว่าทำให้ชีริกทาให้มีชิริกแต่ด้หากว่านี่อะาอัตตะแบมอันนี้ไม่ใช่ชิริกแต่เป็นอุตริกรรมเพราะยางเขาก็ขอจากอัลลอฮฺแต่อีขอด้วยพิธีแบบนี้อันนี้ไม่มีตัวบทมันก็จะกลายเป็นอุตริกรรมเป็นปิดาดฉะนั้นเราก็ต้องแยกประเภทของของเรื่องเสาเองเนี่ยเขาทำแบบไหน